การศึกษาฟังเทศฟังธรรมกับการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาจิตใจที่ยังเป็นจิตใจที่ไม่สมบูรณ์เป็นจิตใจที่ยังเป็นเหมือนเด็ก ล้มลุกคกานยังไม่เป็นที่พึ่งของตนเองยังไม่สามารถที่จะดูแลตนเองให้แข้วคกร่ปลอดภัยจากทุกภัยต่างๆที่มารุมเร้าจิตใจอยู่เรื่อยๆ เด็กๆนี้จึงต้องมีพี่เลี้ยงมีครูมีผู้สอนให้รู้จักเลี้ยงดูตนเองให้รู้จักทำอะไรต่างๆด้วยตนเองกว่าจะเป็นผู้ใหญ่ดูแลตัวเองได้ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควร 20กว่าปีตั้งแต่เกิดออกมาจากท้องแม่พ่อแม่ก็ต้องคอยสอนทุกอย่างสอนให้ทำสิ่งต่างๆที่ควรทำและสอนให้ละลหรือไม่กระทำในสิ่งที่ไม่ควรทำคือสอนให้ทำแต่สิ่งที่มีคุณมีประโยชน์สอนให้ และการกระทาที่เป็นโทษต่อตนเองสอนให้ไปหาความรู้เพิ่มเติมพ่อแม่ไม่มีเวลาที่จะให้ความรู้ได้อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเพราะพ่อแม่ก็มีภารกิจการงานที่ต้องทำก็เลยส่งให้ลูกไปโรงเรียน ไปเรียนหนังสือไปหาวิชาความรู้เรียนไปจนสำเร็จปริญญาพอได้จบปริญญาแล้วเด็กก็กลายเป็นผู้ใหญ่พร้อมที่จะเลี้ยงดูตนเองดูแลรักษาตนเองได้เพราะมีวิชาความรู้ ที่จะสามารถนำเอาไปใช้ในการเลี้ยงดูตนเองใช้วิชาความรู้เป็นเครื่องมือหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้มาใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพนี่คือทางร่างกาย ของพวกเราทุกคนทางจิตใจก็เหมือนกันแต่ทางจิตใจของพวกเราไม่ค่อยได้รับการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนจึงยังเป็นจิตใจที่ล้มลุกคลุกขานอยู่ถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นผู้ใหญ่แล้วร่างกายสามารถเลี้ยงดูตนเองได้แล้ว แต่จิตใจยังไม่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างคว้าคาปลอดภัยคือปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆความทุกข์ที่ยังมาก่อกวนยังมามลุมเล้าจิตใจอยู่เรื่อยๆเพราะไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนเท่าที่ควร ร่างกายเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะเป็นผู้ดูแลปกครองตนเองได้แต่จิตใจยังไม่สามารถเลียงดูตนเองปกป้องรักษาตนให้ปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้ใจยังมีความทนุกความทุกข์ชนิดต่างๆมารุมเล้าอยู่ ตลอดเวลาแทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้ไม่มีวันไหนที่ใจจะไม่สบายจะสบายบ้างไม่สบายมากไม่สบายน้อยไม่สบายนานไม่สบายไม่นานบางทีไม่สบายเดี๋ยวเดียวเห็นอะไรก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมา ได้ยินอะไรก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาบางทีความไม่สบายใจก็อยู่นานบางทีก็อยู่ไม่นานอยู่เดียวๆแล้วก็ไปแต่ต้องมีเรื่องให้ไม่สบายใจอยู่เกือบตลอดทุกวันเกือบทุกเวลาเพราะใจยังไม่รู้จักรักษาใจให้อยู่อย่างสบายใจ ไม่ให้มีความไม่สบายใจปรากฏขึ้นมาในใจการศึกษาธรรมและการปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นวิธีที่จะเิ้งดูดูแลรักษาใจให้ปราศจากความไม่สบายใจต่างๆขั้นต้นก็ต้องศึกษาได้ยินได้ฟังเหมือนกับเด็กที่ต้องได้ยินได้ฟัง จากพ่อแม่พ่อแม่นี้เป็นครูบาอาจารย์คนแรกของลูกๆแต่พ่อแม่ก็จะสอนได้ในทางร่างกายในทางเลี้ยงดูร่างกายแต่พ่อแม่ไม่สามารถสอนลูกให้เลี้ยงดูเรื่องจิตใจได้เพราะพ่อแม่ก็ไม่รู้วิธีที่จะเลี้ยงดูรักษาจิตใจของตนเองให สบายใจได้ตลอดเวลาก็เลยต้องพาไปที่ที่เขามีผู้รู้ที่จะสั่งที่จะสอนเรื่องการดูแลเลี้ยงดูจิตใจก็ต้องพาไปที่วัดเพราะวัดเป็นที่อยู่ของผู้ที่รู้วิชารักษาจิตใจ ให้อยู่อย่างปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจที่อยู่ของของคู่รู้นี้ที่เรียกว่าวัดนี้ก็คือที่อยู่ของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคําสอนของพระอริยสงสาวกบุคคลสองประเภทแล ะ, ะสิ่งอีกหนึ่งคือคําสอน นี่เป็นสิ่งที่เป็นบุคคลที่สามารถที่จะสอนเราได้สอนให้เรารู้จักรักษาใจของเราให้อยู่อย่างสบายไม่ให้มีเรื่องวุ่นวายใจต่างๆเข้ามารบกวนใจถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าก็ดี หรือพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีเราจะไม่รู้จักวิธีที่จะดูแลรักษาใจของเราเให้เป็นใจที่เหมือนเป็นใจของผู้ใหญ่ เ, เป็นใจที่ดูแลรักษา ตนเองได้ป้องกันความทุกข์ความอะไรต่างๆไม่ให้มารบกวนใจได้ต้องมีบุคคลสามบบน mm hmm. บุคคลที่เรียกว่าพระรัตนไตรเนี่ยเท่านั้นที่จะรู้วิธีที่จะสอนใจให้ใ จ, จเจริญโต๊โ ต, ตจากเด็กจากทารก ให้มาเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวก็ดีเป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ค้นคว้าหาวิธีเลี้ยงดูจิตใจสั่งสอนจิตใจให้เจริญเติบโตจนเป็นจิตใจที่ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ที่สามารถดูแลรักษาจิตใจของตนให้แข้วแร่งปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆได้แล้วมีพระพุทธเจ้าของเราเป็นบุคคลแรกที่สามารถรักษาหรือสอนจิตใจพัฒนาจิตใจ ให้เจริญจากการเป็นทารกที่ล้มลุกคลานอยู่ให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงมีความเป็นตัวของตนเองเป็นที่พึ่งของตนเองดูแลรักษาตนเองให้ปราศ จ, จากความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆได้ พระพุทธเจ้าทรงรู้แล้วก็เอามาสอนคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมนี่พระธรรมคือคําสอนถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเรายังสามารถพึ่งพระธรรมคําสอนได้เพราะว่าเป็นคําสอนที่ออกมาจากปากของพระพุทธเจ้าถ้าได้พบกับพระพุทธเจ้าก็จะได้ยินได้ฟังคําสอน ที่มีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกนี้จึงเป็นเหมือนได้พบกับพระพุทธเจ้าถ้าเราได้พบกับพระธรรมคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเพราะตอนนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เลยต้องอาศัยพระไตรปิฎกนอกจากพระไตรปิฎกแล้วเรายังสามารถอาศัย พระอริยสง์สาวกของพระพุทธเจ้าได้พระสงฆ์อริยสง์สาวกนี้ต่างจากพระสงฆ์ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปพระสงฆ์ที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนี้บางทีก็เป็นบางองค์ก็เป็นพระอริยสงฆ์บางองค์ก็เป็นปุถุชนสงฆ์ ส่วนใหญ่สมัยนี้จะเป็นปุตุชนสงมากกว่าเป็นพระอริยสงฆ์ถ้าเป็นปุตุชนสงนี้ยังไม่สามารถที่จะสั่งจะสอนให้เราพัฒนาจิตใจให้จเจริญเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้ เพราะจิตใจของพระปุถุชนสงฆ์ก็ยังเป็นจิตใจของเด็กทารกอยู่นั่นเองตนเองยังไม่ได้พัฒนาจิตใจของตนเองให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เช่นคนที่มาบวชพอเข้าไปในบวชออกมาจากบวชก็กลายเป็นพระสงฆ์ขึ้นมา แต่การกายจากพระสงค์นี้เป็นเพียงแต่การกายในทางร่างกายในทางเครื่องแบบเท่านั้นแต่ใจของผู้ที่เข้าไปบวชและออกมาจากบวชนี้ก็ยังเป็นใจที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนให้เติบโตเป็นใจของผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ แต่โดยมารยาทโดยธรรมเนียมเมื่อท่านใส่เครื่องแบบของอของพระอริยสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเราก็เลยให้ความเคารพแต่การให้ความเคารพนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะาต้องเชื่อในคำสั่งสอนของท่านเพราะ ท่านก็นยังไม่รู้วิธีที่จะพัฒนาจิตใจของท่านเองให้เจริญเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้เหตุนนเราต้องรู้จักแยกแยะว่าพระสงค์นี้มีมีไม่เหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะกอนหัวเหมือนกันนุ่งเหลืองผมเหลืองเหมือนกันแต่ใจนี้ไม่เหมือนกันใจยังเป็นเด็กหรือใจยังเป็นผู้ใหญ่ใจเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาวิธีดูพระสงฆ์เหมือนกับศึกษาดูวิธีวิธีดูเพชรอย่างไี้ ถ้าเราไม่ได้ศึกษาวิธีดูเพชรเราจะดูไม่ออกว่าเป็นเพชรจริงหรือเพชรปลอมเพราะมันดูเหมือนกันวิธีที่พิสูจน์เขาจะคงจะต้องเอาไปชัางน้ําหนักก่อนเอาไปเคาะดูเอาไปทุบดูถ้าเพชรจริงนี่ทุบยังไงก็ไม่แตกถ้าเป็นเพชรปลอมนี่ทุบเดี๋ยวทุบนิดเดียวก็แตก เอาไปชั่งน้ําหนักน้ําหนักก็จะหนักเบาไม่เท่ากันอันนี้ก็เหมือนกันผู้ที่จะต้องการหาพระอริยสงฆ์มาเป็นครูเป็นอาจารย์จึงต้องรู้จักดูว่าพระอริยสงฆ์นั้นท่านเป็นอย่างไรท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ หรือเป็นพระที่ยังไม่เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาไปถามดูเมื่อเราไม่รู้จักวิธีดูเพชรว่าเป็นยังไงเราก็ต้องไปหาคนที่รู้จักวิธีดูเพชรว่าเขาดูกันอย่างไรก็ไปที่ร้านขายเพชรไปถามเขาไปขอเรียนจากเขา วิธีที่จะดูเพชจริงนั้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องไปหาผู้ที่เขารู้ว่าเพชจริงนั้นเป็นอย่างไรพระจริงเป็นอย่างไรพระที่ยังเป็นพระที่ไม่จริงนั้นเป็นอย่างเป็นแต่พระทางเครื่องแบบแต่ไม่ได้เป็นพระทางจิตใจก็ต้องไปที่วัดก็ต้องไปดูที่ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะสอนให้เรารู้จักดูว่าพระแทะ้พระปลอมเป็นอย่างไรพระแทนท่านกินอยู่อย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรพระปลอมท่านกินอยู่ท่านปฏิบัติกันอย่างไรไม่เหมือนกันยกตัวอย่างดูแบบง่าย ก็คือให้ดูทุดงขวัตเนี่ยว่าพระแท้กับพระปลอมนี่ก็จะเห็นเหมือนกับเราไปชั่งน้ำหนักเพชรเนี่ยเพชรแท้กับเพชรปลอมนี่น้ำหนักมันจะไม่เท่ากันการปฏิบัติของพระแท้กับของพระที่ยังไม่เป็นพระแท้นี่ก็ไม่เท่ากันพระแท้นี้ท่านมักจะปฏิบัติทุดงขวัตกัน ทุวลงควัตนี้มีอยู่ส3บสาข้อแต่ท่านไม่ได้ปฏิบัติทั้ง13าข้อแต่ก็ปฏิบัติหลายข้ออันนี้ก็เป็นวิธีดูพระแท้อย่างหนึ่งพระอริยสงฆ์อย่างหนึ่งแต่ก็ยังไม่ใช่เป็นวิธีเดียวยังมีอีกหลายวิธีเหมือนกับการดูเพชรไม่ใช่ดูแต่น้ำหนักอย่างเดียวอาจจะต้องทดสอบด้วยการทุบด้วยการตีดู ดูว่าทุบแล้วมันแตกหรือไม่แตกนะอาจจะต้องดูสีสันของเพชรเอว่าใสหรือไม่ใสมัวหรือไม่เออย่างนี้อันนี้ก็ดูวิธีดูพระแท้ก็ต้องดูหลายมุมด้วยกันมุมที่เห็นได้ง่ายๆก็คือทุ่งดงขวัตก่อนดูว่าพระท่านมีทุ่งดงขวัตหรือเปล่า ข้อที่หนึ่งของทุตงองเขวัดก็คือการบินทบาตเป็นวัดเนี่ยถ้าจะฉันก็ไปบินทบาตอันนี้ดูว่ามีอันนี้ก็เปรียบเทียบได้ถ้าพระไม่บินทบาตนี่ก็เริ่มสงสัยได้แล้วว่ า, เ, าเป็นพระแท้หรือเปล่ า, าฉันในบาทหรือเปล่านี่นี่ก็ข้อข้อที่สองเอาอาหารทั้งหมดใส่บาทฉันในบาท รวมกันในบาทข้อที่สามฉันมื้อเดียวข้อที่สี่อันนี้ก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างคือการไม่รับอาหารหลังจากกลับมาจากบินทบาทแล้วเออมักน้อยไม่ต้องการมากเกินไปไปบินทบาทได้รับอาหารจากการบินทบาท พอกลับมาถึงวัดแล้วใครจะเอาของมาถวายที่วัดจะไม่รับเนี่ยอันนี้บางวัดก็จะทํบางบางเวลาเช่นที่วัดป่าบ้านตาจะถือข้อนี้ในช่วงเข้าพรรษาเวลาเข้าพรรษานี้พระจะไม่รับอาหารหลังจากกลับจากบินทบาทพอเข้าถึงเขตวัดแล้วก็จะไม่รับอาหาร อากของญาตโยมที่ตามมาทีหลังถ้าญาติโยมอยากจะใส่บาตก็ต้องดักใส่ที่หน้าวัดตพอเข้าเขตวัดแล้วก็จะไม่รับเพราะท่านต้องมีเจตนาที่ต้องการที่จะมีความมักน้อยไม่อยากจะมีมากมันก็เรื่องมากมีอาหารมากมันก็ต้องมาจัดมาแยกมาอะไรต่างๆ ทำให้เสียเวลาของการปฏิบัติไปถ้ามีอาหารน้อยได้จากบิธฑบาตมากลับมาถึงวัดก็นั่งฉันได้ ป, ปุบปับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วจะได้ไปปฏิบัติทำต่อนี่เรื่องของการกินของพระแท้ท่านจะกินอย่างนี้พระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าวิธีดูพระอริยสงสาวกให้ดูที่ อาการขบการฉันของท่านอันนี้เป็นข้อที่เราสามารถสังเกตได้แต่ก็ไม่ได้เป็นตัวยืนยันว่าเป็นพระอริยสงฆ์อย่างแน่นอนเพราะพระที่ยังพระที่รักษาทุดงควรัตแต่ยังไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์ก็มีอยู่เป็นพระฝึกหัดที่จะเป็นพระอริยสงฆ์ อย่างน้อยก็รู้ว่าท่านไปในทางนั้นละวถ้าท่านถือธุดองควัตถ้าเปรียบเทียบระหว่างพระที่ถือธุดองควัตกับพระที่ไม่ถือธุดองควัตนี่อย่างน้อยเราก็จะเห็นทิศทางของพระว่าท่านเด AH ินไปทิศทางไหนพระที่ถือธ like like ุดองควัตนี่ท่านแสดงว่าท่านกาลังเดินทางทิศทางของพระอริยะจะของพระอริยสงฆ์พระที่ไม่ถือธุดองควัตนี้ก็ ถือว่าไม่ได้ไปในทิศทางของพระอริยสงฆ์ไม่ได้ไปทิศทางของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ไปไม่ไม่ไปทิศทางนั้นเราจะเป็นพระอริยสงฆ์ได้อย่างไรอย่างนี้เป็นวิธีแยกแย ก, แยกได้ขั้นแรกกันกองขั้นแรกได้ว่าถ้าไม่ถือทุดงขวัตนี้ก็แทบจะตัดออกไปได้จากบัญชีของพระอริยสงฆ์ ส่วนพวกที่ถือธุดงคาวัตนี้ก็ยังต้องมีการแยกแยะในทางอื่นอีกว่าท่านอยู่อย่างไรปฏิบัติอย่างไรท่านปีกวิเวกหรือท่านคุกครีท่านทากิจคือการภาวนาหรือท่านยังไปทำกิจทางอื่นอยู่อันนี้ก็เป็นการดูอีกอย่างหนึง่ง ว่าเป็นพระอริยสงฆ์หรือไม่เป็นพระอริยสงฆ์พระที่ท่านมุ่งไปทางพระอริยสงฆ์ท่านมักจะไปปีกเวเวกท่านจะถือทูโดงเขาวัดอยู่ป่าอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามลํำพังไม่คุกคีกันไม่เกี่ยวข้องกันนอกจากเวลามาทำกิจกรรมร่วมกัน เวลาทำกิจกรรมร่วมกันก็จะไม่มีการสนทนาไม่มีการคุยกันถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องพูดก็จะไม่พูดคุยกันบินบาบาก็ต่างคนก็ต่างบินตาบากไปเวลากลับมาขบฉันก็ต่างคนก็ต่างขบฉันไปจะไม่มานั่งคุยกันไม่ส่งเสียงดัง การขบการฉันของพระอริยสงฆ์ท่านก็ขบแบบขบฉันแบบสงบจะไม่ได้ยินเสียงกระทึกคึกโคมของภาชนะต่างๆช้อนกระทบกับบาตรหรือกระทบกับแก้วกับชามกับจานเหมือนกับญาติโยมนี้เวลารับประทานอาหารนี่เสียงกระหึ่มเลยทั้งเสียงภาชนะทั้งเสียงคนพูด รับประทานไปก็คุยกันหัวเราะกันกิ๊กกักเฮฮากันสังเกตเวลาไปงานเลี้ยงดี๋ย น, นั้นไม่ใช่วิถีชีวิตของพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์ท่านจะฉันด้วยความสำรวมฉันด้วยสติฉันด้วยความระมัดระวังทํากิจกรรมก็ทําด้วยความสงบ ไม่มีเสียงหรือกระทึกคึกโครมมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำกวาดถูสาลาก็กวาดไปกวาดลานวัดก็กวาดไปหิวน้ำใส่ตุ่มก็ทำไปอพอทำเสร็จท่านก็จะแยกกันกลับไปที่พักของตนที่ปฏิบัติธรรมของตนที่ปฏิบัติก็เป็นที่สงบเงียบแล้วดูว่าท่านมีสมบัติอะไรบ้างมีสมบัติข้าวของอะไรบ้าง ถ้าเป็นพระอริยสงฆ์นี่ส่วนใหญ่จะมีแค่อัตถะบริขารมีสมบัติเพียงแปดชิ้นมีบาทมีจีวรมีที่กองน้ำมีเข็มขัดรัดเอวมีมีดกรมีเข็มกับได้ท่านนี้แหละท่านอยู่แบบง่ายแล้วอาจจะมีกรดไว้สำหรับกลางมุ้ง เลเวลาท่านออกไปอยู่ตามป่าท่านก็จะมีกรดมีมุ้งไปด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีดูอพระอริยะอีกวิธีก็ดูว่าท่านทําอะไรบ้างวันวันหนึ่งท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือท่านไปทํากิจอย่างอื่นอถ้าท่านโมแต่ไปทํากิจอย่างอื่นถึงแม้จะเป็นกิจที่ทางโลกย่อกย่อง ไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ไปสร้างอะไรไปทำสาธารณกุศลต่างๆอันนี้ก็ไม่ใช่ทางของพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์นี้ท่านจะมุ่งไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงยกเว้นท่านที่ได้หลุดพ้นแล้ว ถ้ามีเหตุบังคับหรือมีเหตุการณ์ที่ควรที่จะทําท่านดังทีก็อาจจะมาทํากิจกรรมอย่างอื่นมาทําสาธารณกุศลบ้างก็มีอย่างหลวงตานี่หลังจากที่ท่านได้บรรลุธรรมแล้วท่านก็มาสงเคราะห์โลกต่อท่านต้นก็สงเคราะห์ด้วยการอบรมสั่งสอนศรัทธาญาติโยมอบรมสั่งสอน พระเนนแล้วพอมีปัจจัยที่ได้รับจากศรัทธาญาติโยมที่ไม่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอามาใช้กับวัดที่มีเหลือจากการใช้กับวัดท่านก็เอาไปสมเคาะโลกต่อสมเคาะหมู่บ้านชาวบ้านขาดแคลนอะไรขาดบ้านขาดสระน้ำท่านก็ไปขุดสระน้ำให้ ขาดโรงเรียนอาคารเรียนท่านก็ไปสร้างอาคารเรียนให้อันนี้ก็ทําได้พระลี้ยงสงฆ์ก็ทําได้แต่ต้องดูว่าท่านทําตอนไหนตอนที่ท่านสําเร็จแล้วหรือท่านยังไม่สําเร็จนะถ้าไปทําตอนที่ยังไม่สําเร็จนี้ก็จะไม่ไม่ถูกเพราะตัวท่านเองยังไม่สามารถ เป็นที่พึ่งของตนเองได้แล้วมัวไปทำไปให้ไปให้คนอื่นพึ่งก็พึ่งไม่ได้อย่างสมบูรณ์พึ่งได้อาจจะทางร่างกายทางทางวัตถุข้าวของต่างๆแต่ทางจิตใจจะพึ่งไม่ได้จะอาศัยคำเทศคาสั่งคาสอนของท่านเพื่อให้อ นำมาไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้อาจจะทำไม่ได้อันนี้ก็ต้องดูว่าบวชบวชใหม่หรือบวชเก่าบวชนานหรื อ, อยังบวชมานานแล้วยี่สิบปีแล้วน่าจะสำเร็จแล้วถ้าหลังจากนั้นจะไปอบรมสัง่งสอนเผยแผ่ธรรมะจะไปทำประโยชน์ทางโลกอันนี้ก็สมเหมาะสมกับฐานะแล้วก็ทำได้ แต่ถ้ายังเพิ่งบวชใหม่แล้วมาทำกิจของผู้ที่ได้บรรลุแล้วนี่มันก็จะไม่ใช่ฐานะที่พึงจะทำก็สแสดงว่ายังไม่ได้เป็นพระอริยะบางคนบวชใหม่มาไม่ได้กี่เดือนก็ชวนญาติโยมไปอินเดียบ้างไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์บ้าง ไปทำอะไรกิจกรรมต่างๆหรือบางทีก็เทศสั่งสอนบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องอสังเกตดูว่าเหมาะสมหรือไม่สำหรับผู้ที่เพิ่งบวชใหม่ผู้ที่ยังต้องศึกษาเริ่มเรียนเหมือนเด็กที่เข้ามาห า, ห ล, าลัยปีแรกก็ออกไปอสอนคนอื่นแล้วอันนี้มัน เหมาะกับสมควรหรือไม่ถูกต้องหรือไม่นี่ก็คือวิธีต่างๆที่เราจะดูพระอริยสงฆ์ได้วิธีที่สําคัญที่สุดก็คือการเทศการสั่งการสอนของท่านท่านสามารถสอนให้เราปฏิบัติให้เราได้เป็นพระอริยบุคคลหรือไม่อันนี้แหละแต่ตัวนี้ดูยากที่สุดเพราะเราจะต้องปฏิบัติ ด, ด้วย ต้องศึกษาจากท่านและปฏิบัติตามที่ท่านสอนแล้วถ้าเราบรรลุเป็นพระอาริยะบุคคลขึ้นมาได้เราก็จะไม่สงสัยว่าท่านเป็นพระอาริยสง์หรือไม่แล้ววิธีสุดท้ายอันนี้ก็ต้องรอให้ท่านตายถ้าท่านตายแล้วกระดูกกายเป็นพระธาตุไปอันนี้เราก็จะรู้ได้อย่างแน่นอน ว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์แต่ตอนนั้นอาจจะสายไปสำหรับเราก็ได้เพราะว่าเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากท่านโดยตรงแต่ก็ยังมีประโยชน์ที่ท่านทิ้งไวใ้ให้เราคือคำสอนของท่านถ้าเรามีความมั่นใจว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์ท่านเป็นพราะอารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็เข้าหาคำสอนของท่านได้ที่ยังมีเก็บบันทึกไว้ ในรูปแบบต่างๆอ่าหนังสือธรรมะฟังเทศที่มีบันทึกในในซีดีในเทปอันนี้ก็ยังได้ประโยชน์จากท่านได้ได้พบได้เข้าหาพระอริยสงฆ์ที่เป็นที่พึ่งของเราที่จะสอนให้เราพัฒนาจิตใจของเราให้เจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นไป จนเป็นจิตใจที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลตนเองรักษาตนเองไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบย่ำทำลายได้อันนี้ก็เป็นวิธีดูพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้านี้ท่านจากเราแล้ ว, ลวเราก็ไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าอยู่แล้ว ว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่ท่านเป็นผู้ตัดสั้นุธรรมหรือไม่นี<ม>่เราก็ต้องมาดูที่พระธรรมคาสอนหนังสือธรรมะต่างๆก็มีมาจากหลายแหล่งด้วยกันเราก็อาจจะไม่รู้ว่ามาจากแหล่งที่ถูกต้องหรือไม่การดูหนังสือธรรมะหนังสือที่เข้ามาแจากนี่มันก็มาจากหลายแหลง่งหลายรูปแบบด้วยกัน ก็เรียกกันรวมๆ ว, ว่าหนังสือธรรมะอันนี้เราก็ต้องรู้จักเลือกรู้จักแยกแยกดะดูเพื่อความปลอดภัยควรจะไปอ่านหนังสือที่ได้คัดออกมาจากพระไตรปิฎกอันนี้จะจะถูกต้องอะจะไม่มีการคาดเคลื่นอนคาสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้มีพระเนรได้จดจำกัน แล้วก็ถ่ายทอดกันมาเป็นยุคยุ ค, ยคจนมาถึงยุคปัจจุบันก็มีวิธีรักษาด้ววิธีเก็บรักษาด้วยการใส่ไว้ในหนังสือต่อมาก็มีเทปมีซีดีมีเดี๋ยวนี้ก็มีอินเทอร์เน็ตที่เราสามารถที่จะเข้าไปศึกษาค้นคว้าได้ ถ้าเราอยากจะศึกษาหนังสือจากหนังสือก็ต้องศึกษาจากแหล่งที่เรามีความมั่นใจว่าเป็นของพระอริยเจ้าเช่นครูบาอาจารย์ที่เราได้ยินได้ฟังได้รู้จักประวัติของท่านว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วประวัติหลวงปู่มั่นอย่างนี้หลวงปู่มั่นท่านก็กระดูกกะูเป็นพระธาตุแล้วศึกษาประวัติของท่าน จากผู้เขียนผู้เขียนท่านก็เป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านตายแล้วกระดูกท่านก็กลายเป็นพระธาตุแล้วถ้าอย่างนี้เราจะได้ความรู้ที่ถูกต้องที่เราสามารถที่จะเอามาพัฒนาจิตใจของพวกเราเองได้ถ้าเราไม่สามารถพบกับพระอริยสงฆ์เราก็ยังเราก็เอาพระ อริยสงในพระไตปิโกเอาคำสอนของพระอริยสง์ที่มีบันทึกไว้ในหนังสือต่างๆอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่เราสามารถที่จะเลือกศึกษาได้ตอนนี้ก็มีสองทางเลือกศึกษาจากหนังสือคําสอนของพระพุทธเจ้าก็พระไตปิโดกคําสอนของพระอริยสง์ก็คําสอนที่มี ในหนังสือของท่านในประวัติของท่านอันนี้ก็เป็นการเข้าหาความรู้เพราะเราไม่รู้ว่าวิธีพัฒนาจิตใจของเราให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั้นทำอย่างไรจิตใจของเราตอนนี้ยังล่มลุกคุกการอยู่สามวันดีสี่วันไข้บางวันก็มีความสุข บางวันก็มีความทุกข์เราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนความทุกข์ทั้งๆ ท, ที่เราพยายามหนีมันพยายามกำจัดมันหนีมันเท่าไหร่กำจัดมันเท่าไหร่มันก็ยังตามมาอยู่เหมือนเงาตามตัวแสดงว่าเรายังไม่รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจของเราเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราต้องศึกษาวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าเราเข้าหาพระธรรมคำสอนพระอริยสงสาวกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้สอนเหมือนกันสอนหัวข้อใหญ่ๆสามหัวข้อเหมือนกันให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้สร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้เป็นหัวข้อใหญ่ๆที่เราจะต้องเข้าไปศึกษารายละเอียดต่อแต่ถ้าเราดูคำสอนของพระอริยสงฆ์ทุกๆลูกพระพุทธเจ้าทุกๆพระ อ, องค์จะสอนคำสอนแบบนี้กันทุกองค์สอนให้ละการกระทำบาปทั้งปวง สอนให้สร้างกุศลทั้งหลายถึงพร้อมสอนให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์การกระทำบาปบาปคืออะไรอบาปก็คือการกระทําที่เกิดโทษกับผู้อื่นนั่นเองสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและสะท้อนกลับมาสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้กระทำํำ ผู้กระทำก็เดือดร้อนผู้ที่ถูกกระทำก็เดือดร้อนเช่นอะไรคือบาปก็คือการฆ่าสัตว์การฆ่ากาันการเอาชีวิตของกันและกันฆ่ากาันการลักทรัพย์การเอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตถ้าเขาให้ขออนุญาตแล้วก็ให้นี่ไม่ถือว่าเป็นการลักทรัพย์ แต่ถ้าไปเอาของเขาโดยที่เขาไม่อนุญาตก็เรียกว่าเป็นการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีคือการไม่กระทาตามประเพณีของมนุษย์ในเรื่องของการมีคู่ครองมนุษย์นี้จะมีคู่ครองเป็นของตนจะไม่ไปยุงคู่ครองของผู้อื่น อันนี้เรียกว่าการประพฤติที่ถูกประเพณีคือมีสามีมีภรรยาเป็นคู่ครองของกันและกันหาความสุขจากคู่ครองของตนจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคู่ครองของผู้อื่นเรียกว่าการประพฤติผิดประเวณีถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับคู่ครองของผู้อื่น แล้วการพูดสัจจะพูดความจริงคือไม่พูดโกหกพูดความจริงถ้าพูดต้องเป็นความจริงถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็อย่าพูดอย่าไปพูดบดอย่าไปพูดเท็จเพราะจะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นแล้วก็ให้ละเว้นอบายมุขคือสุลายาเมาสุลานี้การดื่มโซลาความจริงไม่เป็น บาปเหมือนกับการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีแต่เป็นเหตุที่จะทำให้ไปกระทำบาปได้ง่ายและเพราะไม่มีสติดื่มโุราแล้วจะไม่มีสติขาดสติที่จะมาคอยยับยั้งหักข้ามจิตใจเวลาเกิดอารมณ์ที่จะพูดจะอยากขายก็จะพูดออกไปถ้ามีสติก็จะรู้ว่าควรจะพูดหรือไม่ควรจะพูด ถ้าไม่ควรจะพูดก็จะไม่พูดนะดูกิริยาการของคนที่มืนเมาจากสุรากับคนที่ไม่หมือนเมานี่การกระทำการพูดจะไม่เหมือนกันคนที่ไม่มืนเมานี้จะพูดเรียบร้อยจะทำอะไรที่ไม่เกิดความเสียหายให้แก่ผู้อื่นแต่คนที่ดื่มสุรายาเมาแล้วนี่มักจะไปพูดหรือไปทำอะไรที่ เสียหายเดือดร้อนแก่ผู้อื่นท่านเลยต้องห้ามเลยถือว่าเป็นบาปเหมือนกันแต่ถ้าเราดื่มสุราแล้วเรานอนอันนี้ก็ไม่ไปสร้างเราก็ไม่ได้ไปทําบาปนอกจากทําบาปทําร้ายตนเองทําให้ตนเองเมึนเมาจนไม่สามารถที่จะไปทําอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ได้ถ้าเมามากๆถึงเวลาไปทํางานก็ไปไม่ได้ก็จะอาจจะ ถูกไล่ออกจากงานถ้าขาดงานบ่อยๆเนื่องจากการดื่มสุราอันนี้ก็เป็นโทษกับตนเองเป็นโทษกับตนเองก็ไม่ควรจะกระทำเป็นโทษกับผู้อื่นก็ไม่ควรกระทำการดื่มสุรานี้เป็นโทษทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นได้อบายามุขข้อที่สองก็คื อ, อการเล่นการพ น, นัน อันนี้ก็จะเป็นโทษกับตนเองเพอะเล่นไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดเพราะเวลาได้มันก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปมันก็จะไม่เลิกเวลาเสียก็อยากจะได้คืนก็ต้องเล่นไปเมื่อเล่นไปแล้วมันนที่สุดมันก็ต้องเสียเสียจนไม่มีอะไรจะเล่นก็ต้องไปขายทรัพย์สมบัติเข้าของมาเล่นต่อเพราะมันติดอาบายามกนี้ทาให้เราติด ถ้าลองเล่นกับมันแล้วมันจะทำให้เราเลิกไม่ได้นี่ท่านบอกว่าถ้าเล่นการพนันแล้วนี้จะหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวโหดร้ายทารุนกว่าโจรขึ้นบ้านโจรขึ้นบ้านนี้มันเอาไปได้เพียงแต่ทรัพย์สินข้าวของโหดร้ายกว่าไฟที่ไหม้บ้านเพราะไฟมันไหม้ทรัพย์สินข้าวของกับไหม้บ้านแต่ที่ดินมันยังไม่มันยังอยู่ แต่ถ้าเป็นอบายามุกข์เคการเล่นพนันนี่มันเอาเราหมดเลยขายครับสายขายทรัพย์สินเสร็จก็ขายบ้านขายที่ดินต่อแล้วก็จะพาให้เราไป เ, าเดือดร้อนถ้าเราไปกู้หนี้ยืมสินถ้ากู้หนี้ยืมสินไม่ได้ก็อาจจะไปรักทรัพย์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหตุที่จะทำให้ไปทำบาปต่อ การเสพบาบายมุกนี้จะทาจะเป็นเหตุที่จะพาให้เราต้องไปทำบาปกันนี่คือท่านพระเจ้าถึงบอกให้ละการกระทำบาปทั้งปวงบาปบาปข้อบาปหลักกระบาปรองบาปสนับสนุนสุรายาเมาเล่นการพนานนี้เหมือนเป็นผู้กะผู้สนับสนุนให้ไปทำบาป คือค่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกโหกหลอกลวงมีห้าข้อนอกดื่มสุราเล่นการพนันไปเที่ยวไปเที่ยวไปเล่นไปดูบันเทิงอะไรมอหอลสศ บ, บันเทิงไปทำมีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้พอเที่ยวแล้วก็จะติดอยากจะเที่ยวอย่างเดียว เที่ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเงินก็หมดเพราะไม่ไปทํางานไม่ไปหาเงินมีแต่ใช้เงินเที่ยวมันสนุกกว่าทํางานก็เลยเที่ยวกันถ้ามีเงินก็เที่ยวพอเงินหมดก็จะไปหางานทําบางทีก็หาไม่ได้แต่ยังอยากเที่ยวอยู่ก็บางทีก็ต้องไปโกหกหลอกลวงไปยืมเงินจากคนนั้นคนนี้มาเที่ยวต่อพอพอโกหกดอกลวงแล้วเขารู้ทัน ยืมไม่ได้ก็อาจจะต้องไปลักทรัพย์ต่อไปลักทรัพย์ถ้าเกิดไปมีมีการต่อสู้กันก็อาจจะมีการฆ่ากันต่ออีก น, นี่คืออบายามุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดื่มสรุราการเล่นการพ น, นันการเที่ยวเล่นมันมีแต่ทําให้เราเสียหายและทาให้ผู้อื่นเสียหาย ข้อที่สี่ของอบายมุขก็คือการคบกับพวกที่ชอบอบายมุขเนี่ยอย่าไปคบกับพวกคนที่เขาชอบเสพอบายมุขอย่าไปคบกับคนที่ชอบดื่มสุราอย่าไปคบกับคนที่เล่นการพนันอย่าไปคบกับคนที่ชอบชอบเที่ยวและอบายมุขข้อที่ห้าก็คือคนที่เกียดค้านอบายการความเกียดค้านนี้มันก็ไม่ทำให้เกิด รายได้มีแต่รายจ่ายเพราะร่างกายมันจะต้องเลี้ยงดูมันต้องมีแต่รายจ่ายคนเกียจค้านก็จะไม่ไปทำงานคนเกียจค้านก็ชอบไปเที่ยวไปเล่นอันนี่คืออบายามุขห้าข้อที่อยู่ในการละการกระทำบาป ท, ทั้งปวงถ้าเราละสิ่งเหล่านี้ได้แล้วชีวิตของเราจะปลอดภัย ในระดับหนึ่งแต่ไม่ไม่หมดในระดับที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของเราทางกายทางวาจานี่มันจะลดลงไปเยอะเลยความทุกข์ความวุ่นวายใจที่เกิดจากการกระทาเกิดจากการพูดที่ไม่ถูกต้องนี้มันจะน้อยลงไปความทุกข์จะเบาบางลงไปแต่ยังไม่หมดเนี่ย แล้วเรายัางต้องสร้างความสุขให้กับใจเราด้วยวิธีสร้างความสุขก็คือให้ทำบุญกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมทำความดีทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเวลาเราทำประโยชน์เราทำความสุขให้แก่ผู้อื่นแล้วเราจะเกิดความสุขขึ้นมาเราจะต้องมีความสุขดอเลี้ยงจิตใจเราถ้าจิตใจของเราไม่มีความสุขนี้ มันก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมกันคนที่ฆ่าตัวตายเพราะไม่มีความสุขเพราะไม่รู้จักวิธีหาความสุขวิธีหาความสุขของเขาเป็นวิธีที่ผิดไม่ถูกคือวิธีใช้เงินไปตามความอยากต่างๆอยากได้อะไรก็ซื้อมาก็ได้ความสุขเดียวๆแต่มันจะทำให้ต้องซื้ออยู่เรื่อย แล้วพอเกิดมีอุปสรรคทางด้านเงินทองเงินทองไม่มีก็จะเดือดน้อนจะไม่มีความสุขเราสามารถทำความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองหรือใช้เงินทองก็ได้ถ้ามีเงินทองถ้าเราจะเอาเงินทองไปใช้ตามความอยากเราเอาเงินทองนี้ไปทำบุญทำทานดีกว่าเอาไปแบ่งปัน ไปช่วยเหลือผู้ที่เขามีด้อยโอกาสกว่าเราผู้ที่มีความทุกข์ยากลำบากกว่าเราใช้เงินทองแบบนี้จะทำให้เรามีความสุขเป็นบุญการกระทำบุญทั้งหลายถึงพร้อมทำบุญด้วยเงินทองอย่างหนึ่งถ้ามีเงินทองก็ทำบุญด้วยเงินทองถ้าไม่มีเงินทองก็ทำบุญด้วยร่างกายของเราด้วยวาจาของเราก็ได้ เช่เรามีความรู้เราก็เอาวาจาของเรานี้เอาความรู้สอนผู้อื่นด้วยวาจาสอนผู้ที่ไม่มีความรู้โดยที่ไม่คิดเงินคิดทองกับเขาเช่นสอนเด็กให้เรียนพิเศษอย่างนี้เด็กสมัยนี้เรียนที่โรงเรียนแล้วไม่พอต้องไปเรียนพิเศษต่อถ้าเราไม่มีเงินทองแต่เรามีเวลาว่างเรามีความรู้เราจะสอนเด็ก ให้เขามีความรู้ก็ได้โดยที่ไม่เก็บเงินเก็บทองอันนี้แลก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอย่างหนึง่งด้วยการให้วิทยาทานให้วิชาความรู้หรือถ้าเราไม่มีวิชาความรู้แต่เรามีความสามารถทางร่างกายรู้จักทากับข้าวรู้จักทอ เป็นช่างไม้ช่างปูนช่างอะไรอย่างนี้เวลาใครเขาต้องการช่างไม้ช่างปูนเราก็ไปเป็นอาสาสมัครทาโดยไม่คิดเงินทองคือทาโดยที่เราไม่ต้องการรับผลตอบแทนนี่เรียกว่าเป็นบุญต้งนั้นทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นโดยถ่ายเดียวโดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทน ถ้าเป็นถ้าเรียกร้องก็ไม่ถือว่าเป็นบุญถือว่าเป็นการซื้อขายซื้อขายเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นบุญเช่นเราไปที่ร้านขายของแล้วเราให้เงินเขาแต่เราไม่ได้ให้เงินเขาเปล่าๆเราให้เงินเขาแล้วเราก็เอาของที่เขามีเป็นของแลกเปลี่ยนกันให้เงินเขาแต่ให้แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นบุญเพราะให้แล้วเราได้สิ่งตอบแทนกลับมา ถ้าเราไปทำบุญโดยที่เรียกร้องสิทธตอบแทนอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าทำบุญอย่างที่เขาไปทำบุญที่วัดเพื่อที่จะไปรับวัตถุมงคลซื้อพร ะ, อะทองคาราคานี้จะจะได้พระทองคาทำบุญราคานี้จะได้พระเงินทำบุญราคานี้จะได้พระทองแดงถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้ทำบุญ เพราะเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการซื้อขายกันถ้าทําบุญแล้วไม่ต้องไปรับพระกลับมาแต่ถ้าเขาจะให้โดยที่ไม่ได้มีการตั้งเป็นเงื่อนไขเราต้องการมาทําบุญอย่างเดียวเราจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้เหมือนที่นี่มาทําบุญก็มีหนังสือแจกนะ จะรับหนังสือไปก็ได้ไม่รับหนังสือไปก็ได้จะทำบุญหรือไม่ทำบุญก็ได้หนังสือก็ยังแจกอยู่ไออย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันเป็นการทำบุญต่อกันละกันทางนี้ก็ทำบุญกับญาติโยมด้วยการให้ธรรมะไปเป็นธรรมทานไปทางญาติโยมก็ทำบุญด้วยวัตถุเอาข้าวของเงินทองมาถวายพระ ถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญเราถ้าเราทำบุญแล้วเราจะมีความสุขมากกว่าที่เราไปหาความสุขใส่ตัวเราด้วยการไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยหรือไม่ฟุ่มเฟือยก็ตามของของฟุ่มเฟือยถ้าของไม่ฟุ่มเฟือยนี้ไม่ไม่เป็นปัญหา ของไม่ฟุ่มเฟือยเราจำเป็นจะต้องมีเจนอาหารถ้าอาหารหมดก็ต้องไปซื้ออาหารมาถ้าเสื้อผ้าไม่พอใช้ก็ต้องไปซื้อมาอย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถือว่าเป็นการใช้เงินที่ผิดการงะใช้เงินที่ผิดที่ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์และเกิดโทษกับตนก็คือใช้ตามความอยากเสื้อผ้ามีพอแล้วยังอยากซื้อ อ, อย่างี้จะเป็นโทษต่อจิตใจ ก็จะทําให้ต้องซื้ออยู่เรื่อยๆอยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆแล้วพอเดี๋ยวเงินทองไม่พอใช้ก็จะทุกข์จะไม่สบายใจเพราะไม่สามารถหาความสุขจากการใช้เงินตามความอยากได้แต่ถ้าเราใช้เงินไปทําบุญทําทานนี้พอไม่มีเงินทําบุญเราจะไม่ทุกข์เพราะเราจะไม่มีความรู้สึกอยากจะไปทําบุญการทําบุญนี้ไม่ได้ทําไม่ได้ทําด้วยความอยาก ทำด้วยเหตุด้วยผลเวลาเราทำเราก็เลือกคิดดูก่อนว่าเรามีเงินก้อนนี้ทำอะไรดีทําให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นดีไหมที่ไหนควรรับประโยชน์เราก็ไปทําให้พอทําหมดแล้วก็หมดไปเท่านั้นไม่มีทําก็ไม่มีความรู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจเหมือนกับเอาเงินไปซื้อของตามความอยากต่างๆพอเงินหมดแล้วพอไปเห็นของอยากได้ขึ้นมาอีกก็จะเกิดความหงุดหงิดลาคาญใจขึ้นมาได้ นี่ก็ตัวอย่างของการทำความดีการทำบุญกุศลคือทำอะไรให้ผู้อื่นเขาได้รับความสุขได้รับประโยชน์จากการกระทำของเราโดยที่เราไม่เรียกร้องอะไรเป็นของตอบแทนเรียกว่าเป็นการทำความสร้างบุญสร้างกุศลอย่างญาติโยมบางท่านก็มาช่วยถ่ายทอดสดอย่างนี้ก็ไม่ได้เรียกร้องขอเงินเดือนหรือขออะไร มีเวลาว่างก็คิดว่าเอาเวลานี้มาทําประโยชน์เพราะถ่ายทอดสดทีนี้ก็คนที่ไม่ได้มาที่นี่ก็สามารถที่จะได้ยินได้ฟังได้ศึกษาทาเป็นจำนวนมากและมีกว้างขวางอยู่เกือบทั่วโลกมีคนติดตามจากทั่วโลกต้องสี่สิบกว่าประเทศมีคนที่ติดตามในประเทศต้องหกสิบกว่าจังหวัดเนี่ย อันนี้ก็เป็นการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นโดยที่ตนเองไม่ได้รับผลตอบแทนจากการกระทําเหล่านี้นอกจากได้บุญได้กุศลได้ความสุขใจอันนี้แหละเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือความสุขใจความอิ่มใจความภูมิใจนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คอสอน ให้ละการกระทำบาปทั้งปวงสอนให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมตามกำลังของเรามีอะไรที่เราทำได้เราก็ทำไปอันไหนทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำอันนี้ไม่ได้บังคับไม่มีเงินทองจะทำบุญก็ไม่ต้องใช้เงินทองทำบุญมีร่างกายมีเวลาว่างไปเป็นอาสาสมาัครไปทำประโยชน์บางคนก็มาที่วัดมาช่วยล้างถ้วยล้างชาม ล้างซ่วมล้างห้องน้ำมาช่วยพระบินทบาทช่วยพระขับรถไปบิณทบาทอันนี้ก็เป็นบุญบันกุศลซึ่งแต่ละคนสามารถทำกันได้ตามฐานะของตนบางคนไม่มีเวลาแต่มีเงินก็ส่งเงินมาให้กับวัดจ่ายเป็นค่าน้าค่าไฟค่าบำรุงวัดอะไรต่างๆอันนี้ก็ได้เหมือนกัน และข้อใหญ่ข้อที่สามที่พระพุทธเจ้าทุกๆประคำสอนให้เราทำก็คือให้ชาระวิจัยให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้แหละเป็นการกำจัดความทุกข์ให้หมดไปอย่างสิ้นซากเพราะวาความทุกข์นี้มันเกิดจากความไม่บริสุทธิ์ของใจอะไรที่ทำให้ใจไม่บริสุทธิ์อะไรที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือกิเลสตัณหานี่เองความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ที่เราจะต้องกำจัดด้วยการภาวนาด้วยการฝึกสมาธิเรียกว่าส ม, มถตภาวนาและด้วยการเจริญปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาถ้าเรามีส ม, มถตภาวนามีวิปัสสนาภาวนาเราก็จะสามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจ ที่เป็นต้นเหตุของความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้เมื่อมันถูกกําจัดหมดแล้วใจของเราก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขไปตลอดนี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตาสาวกทุกรูปท่านได้พัฒนาจิตใจด้วยการละการกระทําบาปทั้งปวงด้วยการ สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการบาเมมะะพ็ญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาอท่านได้กระทำกิจทั้งสามข้อนี้แล้วจิตใจของท่านก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาไม่มีเหตุที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจอีกต่อไปอหลังจากที่ท่านได้ชำระใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์แล้ว ท่านก็เอาเวลาที่เหลือของชีวิตนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราท่านก็ทําบุญแต่ไม่ได้ทําบุญเพื่อเอาบุญทําบุญเพื่อสมเคราะห์โลกเพราะท่านไม่ต้องการบุญบุญมันมีเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจคือความสุขใจมันมีเต็มเปี่ยมอยู่แล้วแต่ทําเพราะความสงสารที่เห็นจัดโลกอย่างพวกเรายังไม่รู้จักวิธีกําจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดไปจากใจท่านก็เลยอุทิศชีวิตของท่านที่เหลืออยู่นี้ให้กับการเผยแผ่สั่งสอนพระอริยบุคคลทุกลูกนี้ท่านก็จะสั่งสอนไปตามกําลังตามความสามารถบางองค์ก็สอนได้มากบางองค์ก็สอนได้น้อยแล้วแต่ความสามารถในการแสดงแจกแจงธรรมะให้แก่ผูู้้ผู้เล่าเรียนบางองค์ก็สอนได้มากมี มีลูกศิษย์ลูกหามีมาศึกษามากบ๋ององก็สอนไม่ได้มากก็มีผู้เป็นลูกศิษย์ลูกหาน้อยอันนี้ก็อยู่กับความสามารถที่ไม่เกี่ยวกับความสะอาดบริสุทธิ์ของใจอยู่ที่ความสามารถที่สามารถเอาธรรมะนี้ออกมาเผยแผ่มาแจกแจงมาอธิบายให้ผู้ฟังได้ฟังได้เข้าใจอย่างง่ายดายนั่นําไปปฏิบัติจนได้รับผล ผู้ไหนแสดงได้ได้ดีก็จะมีผู้สนใจที่จะไปศึกษามากผู้ที่สอนโดยสอนโดยที่ทำให้ผู้ฟังไม่ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายก็จะก็จะมีน้อยที่จะไปศึกษากับท่านอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะท่านก็ทำเต็มที่ตามความสามารถของท่าน <c oughs> นี่แหละคือเรื่องของ การมาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อมาพัฒนาจิตใจให้กลายจากเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ตอนนี้ใจของพวกเรายังเป็นเด็กอยู่ยังล้มลุกคลุกคานอยู่บางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์สลับกันไปสามวันดีสี่วันไข้แต่ถ้าเราได้ปฏิบัติตามคำสอนทุกประการแล้วคือได้ละการกระทำบาปทั้งปวง ได้สร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ได้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วจิตใจของเราก็จะกลายเป็นจิตใจของผู้ใหญ่ที่จะดูแลปกป้องรักษาจิตใจของตนไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเข้ามาก่อกวนได้อีกต่อไปจึงขอขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร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 ภรโสยธาสัพิต so ิโยวิวาชนตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาฒนศีริสานิจังวุทฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวทานติ อายุวันโสุขังภาลัวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้เฟซบุ๊กเข้ามาที่สามร้อยหกสิบสอง youtube เข้ามาที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองวิทยุออนไลน์สามสิบเอ็ดรับฟังบนเขายี่สิบแปดคนรวมทั้งสิ้นห้าร้อยสี่สิบสามคนครับมีมีเพิ่มมา จากยูทูบมีเพิ่มมาประเทศหนึ่งฮังการีอทักทักทายมาจากฮังการีฮังการีเป็นชาวไทยเลยเป็นเป็นครับเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษชื่อเป็นชื่อไม่ใช่คนไทยนะครับแต่ว่าเขาอาจจะแปลเขาเขาอาจจะเก่งเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าตัวนี้แปลมาเป็นภาษาไทยเลยครับทักทายจากฮังการีเอครับสวัสดีเพราะส่วนใหญ่ ที่ไปอยู่ต่างประเทศที่มาจากต่างประเทศก็เป็นชาวไทยที่ไปอยู่ที่ต่างประเทศกันเพราะชาวต่างชาติเขาไม่ค่อยฟังรู้เรื่องภาษาไทยเดีย๋ยวนี้คนไทยเราก็ไปทั่วโลกนะไปไปขุดทองกันบ้างไปมีครอบครัวกันบ้างมีใครอยากจะถามอะไรไหม ถ้าใครอยากจะถามอะไรไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้ไม่ต้องเกรงใจเนเอาตรงสีก็เลยออเอาเลย<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไมโครโฟนเลยจะได้ไม่ต้องออกเสียงดังขอเมตตาความหมายคำว่าอาริยสติกับก็สติของพระอริยสงฆ์เลย ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปสติของท่านจะไม่ล้มลุกคุกขานสติของท่านจะต่อเนื่องจะไม่เผลอแต่เผลอน้อยกว่าปุุชนก็นแล้วกันแต่ยังมีเผลอบ้างเป็นบางช่วงบางเวลายังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์นก็สติของพระระยะ บ, บุคคลกับของพระของของปุุชนไม่เหมือนกัน ของพระอริยบุคคล น, นี้สามารถเข้าอัปปนาสมาธิได้ทุกองค์ ม, มีสติที่จะทำให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้แต่ผู้ที่มีอัปปนาสมาธิก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นพระอริยเพราะนอกจากสติแล้ว ย, ยังต้องมีปัญญาเป็นคู่ประกอบด้วยถึงจะเป็นพระอริยได้ก็คือต้องเห็นอริยสัจสี่เห็นตายรักในร่างกายในเวทนา จึงจะเป็นพระอริยบุคคลได้ผู้ที่เข้าสมาธิได้แต่ยังขาดปัญญาก็ยังไม่เป็นพระอริยบุคคลนัลสติของของปุถุชนนี้เจริญได้เสื่อมได้เคยเข้าสมาธิได้แต่ถ้าไม่ไปถ้าเผลอไม่ไปรักษาสติไว้เดี๋ยวต่อไปก็เข้าไม่ได้ก็มีแต่ถ้าเป็นของพระอริยบุคคลแล้วจะไม่เสื่อม ทำถ า, าแรกจากทางลนนะครับนั่งสมาธิทุกทีเข้าระวังทุกครั้งอย่างนี้ถือว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างหรือเปล่าคะถ้าเป็นระวังหลับก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรต้องเป็นระวังสมาธิเป็นระวังที่ตื่นมีสติสัมปชัญญะรับรู้อยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้จิตสงบไม่คิดปรุงแต่งมีความสุขถ้าอย่างนี้ก็ได้ประโยชน์ได้พลังได้อุเบกขา ถ้าภาวังแบบไม่รู้เรื่องเลย อ, อันนี้ก็แสดงว่าเป็นภวังหลับไม่ได้ประโยชน์อะไรคาถามต่อไปจากคุณเก๋ครับการสวดมนต์ในใจและสวดมนต์ออกเสียงนั้นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะสวดมนต์ในใจมันจะดีกว่าตรงที่ใจไม่ต้องทำงานหนักไม่ต้องไปสั่งให้ร่างกายสวยดตาม สวดแต่ใจคนเดียวใจก็จะสงบง่ายกว่าถ้าสวดด้วยออกเสียงใจยังต้องทำงานคอยสั่งให้ร่างกายออกเสียงอยู่เหต น, นถ้าสวดถ้าปฏิบัติจริงๆถ้าสวดในใจได้จะดีกว่าหรือบริกรรมพุทโธก็บริกรรมในใจไปอย่าบริกรรมออกเสียงําถามต่อไปจะทาง a c e b o o k live ครับจากคุณวิเวก ค, ครับ เวลาไปปฏิบัติธรรมที่วัดจะเจอพระที่ไม่ได้มุ่งมักผลนิพพานแล้วเทศสั่งสอนแต่เรื่องเราจิตใจไม่เลื่อมใสศรัทธาไม่อยากได้ยินได้ฟังธรรมะทางโลกควรวางใจอย่างไรให้สงบและไม่มีโทษเจ้าคะก็ไม่มีโทษตรงไหนก็ให้รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปฟังคาสอนแบบนี้ก็อย่าไปฟัง น, นั่นเอง ก็ไปหาคำสอนที่เราอยากจะฟังที่ฟังแล้วเกิดประโยชน์ให้ความรู้ให้ความสงบกับใจคำถามต่อไปครับน้ำใบหญ้าหยางและน้ำรากบัวนำมาดื่มเป็นน้ำปานะเวลาถือศีลแปดได้หรือไม่เจ้าคะไม่รู้เหมือนกันนะเราไม่เคยไม่เคยดื่มไม่รู้นเป็นอะไรถ้าสงสัยก็อย่าไปดื่มมัน บท่านสอนวิธีง่ายๆต่อการปฏิบัติก็คือถ้าสิ่งไหนที่เราสงสัยว่าถูกแล้วไม่ถูกก็อย่าไปทำมันถึงแม้จะคิดว่าถ้าสงสัยแล้วทำมันถึงแม้มันจะถูกท่านก็ว่าผิดผิดตรงที่ว่าเร า, เาไม่ไม่มั่นใจไม่แน่ใจนี่อย่าไปทำถ้าเราไม่รู้ก็อย่าไปเดิมมันเ่อมน้ำเปล่าๆเนี่ยปลอดภัยที่สุดดีที่สุด ทำไมต้องมีน้ำกลิ่นน้ำสีน้ำรส ด, ด้วยเอร่างกายมันต้องการน้ำเปล่าเาทนั้นเองส่วนสีหรือกลิ่นของน้ำนี่ยมันเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของตัณหาความอยากเรื่องของกามฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยยิ่นตัดมันไปได้ตัดไปดีกว่าตัดได้ตัดปัญหาไปเยอะมิฉะนั้นต้องมานั่งเลือกเมนูว่าอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้เอ ถ้าจะถือศีลแปดแล้วก็ตัดมันไปให้หมดแล้วน้าเปล่าอย่างเดียวหมดปัญหาใจจะได้สงบง่ายนั่งสมาธิจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดว่าเดือมน้ำชนิดนี้ได้เปล่าเดืมน้ำชนิดนั้นได้เปล่าเดี๋ยวเดื่มไปแล้วเดี๋ยวมานั่งคิดอีกก็ให้เราทำผิดหรือเปล่าถูกก็เปล่าแทนที่ใจจะสงบก็เลยวุ่นวายกับเรื่องที่เราไปทำมาเาั้นถ้าอยากจะปฏิบัติแบบง่ายๆแล้ว ได้ผลดีที่สุดก็คือเอาน้ําเปล่ามาแล้วกันหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ต้องไปดื่มน้ําอะไรแล้วเอาแต่น้ําเปล่าไปไม่ตายรับรองได้ท่านมีน้ําเปล่าดื่มไม่ตายคําถามต่อไปครับหากเช่าที่พักอยู่ในที่ไกลๆแล้วใช้คําสอนที่ท่านอาจารย์เทศโปรดลูกหลานไว้เพียงพอต่อการมุ่งปฏิบัติใหม่เจ้าคะ่ะ ก, ก็ลองปฏิบัติดูสิ ถามทำไมของนี้มันต้องพิสูจน์ด้วยตนเองอเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องทําแล้วเราก็ทําไปคําถามต่อไปจากคุณติ๊กครับกราบเรียนถามเวลาเราใส่บาตรแล้วสงสัยพระที่เราใส่บาตรอยู่นี้เป็นพระปฏิบัติหรือเปล่าเราจะบาปไหมเจ้าคะอ๋อไม่บาปเหรอสงสัยเพราะเราไม่รู้เราก็สงสัยไปแต่การทําบุญนี้ บางทีไ ม, ไม่ไม่จำเป็นจะต้องทํากับพระอริยสงฆ์เพราะพระที่ยังไม่เป็นพระอริยสงฆ์ก็ต้องกินเหมือนกับพระอริยสงฆ์แล้วพระอริยสงฆ์ก็ต้องมาจากพระที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์แต่ไม่ใช่ใครพอบวชปั arla. ๊บแล้วเป็นพระอริยสงฆ์กันที่ไหนบวชแล้วก็ต้องมาศึกษามาปฏิบัติถึงจะกลายเป็นพระอริยสงฆ์ได้ในช่วงที่ยังศึกษายังปฏิบัติอยู่ท่านก็ต้องรับการสนับสนุน ด้วยการบินาบาตรฉะนั้นใส่บาตไปไม่ไม่ต้องไปกังวลว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์หรือไม่เป็นพระอริยสงฆ์แต่ถ้ารู้ได้ก็ดีว่าท่านเป็นพระถึงแม้ไม่เป็นพระอริยสงฆ์ท่านไม่ทุศีลหรือเปล่าก็ดูแค่ตรงนั้นถ้าเป็นพระที่ทุศีลก็ไม่ควรที่จะไปสนับสนุนควรจะสนับสนุนที่พระท่านเค่งคัดต่อพระธรรมวินยัยถึงแม้ว่ายังไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์ อย่างน้อยท่านก็เป็นผู้ที่มุ่งมั่นต่อการเป็นพระอริยสงฆ์ต่อไปคำถามต่อไปจากคุณเ ม, มทูครับหลวงพ่อครับอยากปฏิบัติเหมือนพระอาหารหันต้องทำยังไงดีครับก็ปฏิบัติสิเห็นยาไหนยฝึกสติไปรักษาศีลไปมีข้าวของเงินทองก็สละไปให้หมดอย่าใช้เงินใช้ทองไปกับกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆๆๆ เอาเงินทองไปทำบุญให้หมดนะแล้วก็รัก ษ, กษาสีหน้าบริสุทธิ์แล้วก็ฝึกนั่งสมาธิฝึกเดินจงกรมด้วยสติเดี๋ยวก็ได้เป็นพระอรหันต์เอ ง, เองเนอะคำถามต่อไปจากคุณสปายอ๋อครับผมได้ฉีดยาฆ่าแมลงตามมุมห้องเพื่อกันไม่ให้แมลงเดินผ่านไม่มีเจตนาฆ่าแต่ก็มีแมลงเดินผ่านและตายอย่างนี้บาปไหมคะบาปเพราะว่าเรามีเจตนาที่จะฉีดเนี่ย คำถามต่อไปจากคุณไกรลินครับตอนนั่งสมาธิรู้สึกว่าตัวลอยซึ่งต่างจากที่ได้ยินว่าตกหลุมตกบ่อครับอาการแบบนี้นั่งได้ถูกหรือยังถูกทางยังครับ<า>ก็ยังไม่ถูกก็ เ, เป็นอาการที่หลอกหลอนเรามากกว่าเวลา น, นั่งมันจะมีอาการต่างๆแปลกๆไห้เราได้รับรู้บางทีตัวพองบางทีตัวหดาบางทีตัวลอย อันนี้เป็นอาการที่จิตปรุงต่งขึ้นมาหรอกเราอย่าไปสนใจให้มีสติอยู่กับลมหายใจไปหรืออยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆ เ, เป็นกว่ามันจะวุบลงไปเหมือนจากตกจากที่สูงลงมาแล้วมันก็จะนิ่งเย็นสบายมีความสุขมีโอเบคานั่นแนะ่ะถึง่าเรียกว่าได้ผลจากการปฏิบัติคำถามต่อไปจากคุณจากคุณแหวนครับ เรียนถามพระอาจารย์อายุศาสนาพุทธจบห้า0ันปีแนวโน้มเป็นแบบไหนครับก็คนสนใจน้อยลงนคนสนใจที่จะศึกษาปฏิบัติตามคำสอนจะน้อยลงไปเรื่อยๆ เ, เห็นหมยุคนี้กับยุคสมัยพุทธกาลนี้ต่างกันไหมสมัยพุทธกาลนี้คนสนใจศึกษาปฏิบัติทำกันมากเอาทั้งสามข้อ ทำบุญลาบบาปชำลาจใจสมัยนี้เอาแค่ทำบุญอย่างเดียวบาปไม่ละไม่ละกันละเดี๋ยวนี้ไม่อยากจะถือศีลกันทำได้แค่แค่ใส่บาตรทำบุญบริจาคเงินทองแต่ให้รักษาศีลให้ซื่อสัตย์ต่อเมียต่อผพวนี่บางทีก็ยังทำไม่ได้ไม่ให้ดื่มสุรายาเมาก็ทำไม่ได้เนี่ย แล้วเรื่องภาวนานี่แทบจะไม่ค่อยมีเลยที่จะนั่งปฏิบัติกันอย่างจริงจังจรงจังทำกันพอหอมปากหอมคอเวลาครึ่งชั่วโมงอย่างนี้เนี่ยคือหดก็ไปละแก่นเริ่มหายไปละเหลือแต่เปลือกต่อไปก็จะไม่มีใครแม้แต่ทำบุญก็อาจจะไม่ทำหรือทำก็อทำก็แต่ไม่สนใจที่จะศึกษาวิธีปฏิบัติน อย่างวัดที่อยู่ต่างประเทศบางแห่งวัดของญี่ปุ่นนี้ไม่มีพระแล้วมีแต่บูบาสกเป็นคนเฝ้าดูวัดแล้วคนอยากจะทำบุญก็ไปจุดธูปเทียนแล้วก็ถวายเงินทองเพื่อใช้เป็นเงินรักษาวัดไปว่าวัดมีแต่ตัวอาคารแต่ไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้ามาสอนมาสั่งไม่มีผู้ปฏิบัติตามคำสอนกัน ต่อไปมันก็จะเป็นเหลือแต่ซากเท่านั้นแต่ตัวสาตัวเนื้อหนังของศาสนามันจะหายไปหมดซากก็คือวัดต่างๆเนี่ยมีวัดแต่ไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติเนี่ยคำถามต่อไปจากคุณหนูเฟิร์สครับสารา ย, ยี่ห้อเท่าแก่น้อยสามารถถวายให้พระฉันช่วงเย็นหรือหัวข้ามได้ไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะเราไม่ไม่รู้เรื่องวอนี้เลย งบอกว่าอย่าไปกรรมวลันถวายน้ำเปล่าไปก็พอคำถามต่อไปจากคุณวิภาวีครับขนาดเดินจงกรมคำบริกรรมหายไปแต่มีความรู้สึกตัวแทนที่พอรู้สึกตัวก็บริกรรมใหม่อย่างนี้ได้ไหมคะก็สติขาดหายไปล้มลุกคุกคานอยู่เรียกว่าสติล้มลุกคุกคานไม่ต่อเนื่องมันจึงไม่สงบเนี่ยมันมีสองทางไม่หลับก็ฟุง้งซ่าน ถ้าสติไม่ต่อเนื่องบางทีก็เผลอหลับไปบางทีก็คิดแบบไม่หยุดคิดจนฟุ้งซ่านขึ้นมาเพอสติไม่ไม่ไม่ไม่ต่อเนื่องสติล้มลุกคุกขาดคำถามต่อไปนั่งสมาธิควรนั่งนานเท่าไหร่คะนั่งจนได้ผลเลย่ยเราไม่ได้วัดที่เวลาเราวัดที่ผลคือความสงบพอสงบแล้วมันก็จะนั่งได้นาน แล้วเวลาสงบแล้วมันมีความสุขเวลานี้มันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วคำถามจากคุณพาวินครับบุคคลเป็นชาวนาก็เพราะกรรมไม่เป็นชาวนาก็เพราะกรรมบุคคลเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นคนรับใช้ก็เพราะกรรมบุคคลแม้เป็นโจรก็เพราะกรรมเป็นนักโลภเป็นนักรบก็เพราะกรรมหมายความว่าอย่างไรครับ ก็เพราะว่าเคยมีนิสัยมาเป็นอย่างนี้นิสัยเป็นชาวนาก็มาเป็นชาวนานิสัยเป็นโจรก็มาเป็นโจรกรรมก็คือนิสัยคือการกระทำที่ซ้ำๆบ่อยๆก็เลยกลายเป็นนิสัยขึ้นมาําถาำต่อไปจากคุณพาวินครับสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกาเนิด มีกรรมเป็นเผ Alice. ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ no ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ก็ตามจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคำว่าเป็นทายาทแห่งกรรมหมายถึงอย่างไรครับก็เป็นผู้รับผลของกรรมเนป็นทายาทก็พ่อแม่มีอะไรพ่อแม่ก็มอบให้กับทายาทมรดกเราเป็นผู้กระทากรรมเองเราเป็นผู้มอบแล้วเราก็เป็นผู้เป็นทายาทเป็นผู้รับผลของการกระทาของเรา แล้วอะไรก็เป็นทายาทคำถามต่อไปจากคุณวัดครับเวลาเดินจงกรมมีสติรู้ตัวดีตลอดแต่ไม่สงบเท่านั่งสมาธิคือยังมีความคิดและเห็นความคิดขุดแล้วดับไปขุดแล้วดับไปแบบนี้ถูกไหมครับก็อย่าปล่อยให้มันคิดเลยให้มันคิดอยู่กับพุทโธพุทโธอย่างเดียวคำถามต่อไปจากคุณดวงเดือนครับ หลวงพ่อเจ้าหลวงพ่อเจ้าขวาปลวกมันขึ้นหนูและอยู่ที่กล่องกระดาษเต็มเลยแล้วในตู้เสื้อผ้าก็ขึ้นหนูซื้อบ้านใหม่และย้ายไปวันที่สิบห้าเดือนหน้าหนูไม่กล้าไปทําอะไรปลวกจะกกวาดก็กลัวปลวกตายจะเอากล่องไปทิ้งก็จะเอากล่องไปทิ้งก็ไม่หนูควรทําอย่างไรดีคะ <ME S 2> ถึง <seemed S 2> <ège> จะไม่บาปก็ปล่อยปล่อยมันไปเฉยๆถ้าไม่อยากีไม่อยากจะทำบาปก็ปล่อยมันไปอย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปแตะมัน <Griffin. S 2> คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณนันลพัทครับเป็นโรคมะเร็งคือกรรมเก่าใช่หรือไม่คะก็กรรมที่มาเกิดไงถ้าเกิดแล้วมันก็ต้องเป็นโรคอย่างใดโลกอย่างหนึ่งโรคมะเร็งก็ได้โรคความดันก็ได้โรคหัวใจก็ได้แร้อยแปดโรคก็เป็นผลที่เกิดจากการมาเกิดกรรมก็คือการเกิดถ้าไม่เกิดก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน คนฉลาดจึงไม่เกิดกันก็ต้องไปหยุดเหตุที่ทำให้มาเกิดเหตุที่ทำให้มาเกิดก็คือความโลภความอยากความหลงกิเลสตัณหาต่างๆนี่คำถามต่อไปจะกคุณวิจัยครับพระที่ให้โยมสั่งอาหารที่ร้านและไปฉันอาหารในร้าน <c oughs> เป็นพระปฏิบัติดีไหมครับ <c oughs> ก็ทุด ง, ะะดงดหรือเปล่ามีเป็นทุดงกวาหรือเปล่า พระพุทธเจ้าสอนให้ไปสั่งอาหารมากินหรือเปล่าสั่งให ญ, ญาติโยมพาไปฉันที่ร้านหรือเปล่าไ ม, ไม่ใช่ครับเราจะเป็นเรียกว่าภาพปฏิบัติดีได้ยังไงในสมัยพุทธกาลนีพ้พระพุทธเจ้าท่านท่านสอนให้ขอใช่ไหมครับไม่ขอไม่ขอขอได้นอกจากคนที่เป็นญาติหรือคนที่เขาเสนอตัวไว้ก่อนถ้าคนไม่รู้จัก ไปอยู่ดีๆไปขอเงินเขาไปขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากเขาไม่ได้แต่ถ้าเป็นพี่น้องเป็นญาติเราขาดจีวร อ, อาจจะไปบอกเขาว่าตอนนี้จีวรขาดช่วยจัดหาจีวรให้หน่อยบอกได้อยู่คำถามต่อไปจากคุณจากคุณกัลพัจครับที่ถามเรื่องมะเร็ง น, นะครับก็คือควรใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไรครับ ก็พย า, ยามฝึกจิตให้สงบปล่อยวางสอนสอนจิตให้ปล่อยวางร่างกายว่าร่างกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราทำมาจากดินา น, าน้ำลนไฟเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเหมือนกับรถยนต์เราเป็นเพียงผู้ใช้ร่างกายเมื่อร่างกายมันหมดสภาพก็ต้องปล่อยมันไปอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้มันไม่จากเราเพราะความอยากจะทําให้เราทรมาน คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณนาวินครับคำว่าอาศัยระลึกในสติปัฏฐานสูตรหมายความว่าอย่างไรครับระลึกไงก็ให้ระลึกอยู่เรื่อยๆให้คิดถึงพุโทโธอยู่เรื่อยๆก็เรียกว่าเป็นการฝึกสติระลึกอยู่พุโทโธพุโทโธหรือระลึกอยู่ในกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งระลึกอยู่กับลมหายใจเข้าออกระลึกถึงความตายอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นการฝึกสติ คือไม่ให้ใจไปคิดถึงหรืคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้คำถามต่อไปจากคุณเอพิครับพระสามารถฉันไอศครีมตอนบ่ายได้ไหมคะไม่ได้แล้วเพราะมีนมแต่พระเดี๋ยวนี้ก็มีสองสายพระที่ฉันนมตอนบ่ายได้กับพระที่ฉันนมตอนบ่ายไม่ได้ถ้าพระที่ฉันนมตอนบ่ายได้ท่านก็ฉันไอศครีมได้ แต่พาที่ฉันนมตอนบ่ายไม่ได้ก็ฉันไอศกรีมไม่ได้เพราะมันมีนมผสมอยู่นมนี่เขาถือว่าเป็นเป็นส่วนของอาหารนะไม่ได้เป็นน้าป น, นะถ้าเป็นไอติมแบบไม่มีนมนี่ได้อยู่ไอติมที่เป็นมีรสผลไม้รสส้มอะไรอย่างเงี้ยที่เ็าเรียกว่าเช อ, เอร์เบตนียถ้าไม่มีนมก็ก็ดื่มได้ฉันได้คำถามต่อไปจากคุณใหม่ครับ พระวินัยเกี่ยวกับเรื่องทําน้ํำมนต์ต้องอาบัติไหมครับนมน้ํามนต์มันไม่มีในสมัยพุทธกาลเนอะท่านเท่าที่เข้าใจหรือมีอาจจะแต่ไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อห้ามข้อบังคับเกี่ยวกับน้ํามนต์ใครอยากจะทําน้ํามนต์ก็ทําไปทำได้ไม่ผิดพระวินัยแต่อย่างใดคําถามต่อไปจากคุณโชคชัยครับ การฝึกสมาธิโดยการเพ่งกะสินต่างๆได้ประโยชน์หรือมีโทษอย่างไรครับก็ได้ความสงบหเหมือนกับการฝึกใช้พุโทโธหรือใช้ลมหายใจแทนที่จะใช้พุโทโธใช้ลมหายใจแล้วก็ใช้กะสินคือสีต่างๆให้เรานึกถึงสีเขียวไปเรื่อยๆให้ใจสร้างสีเขียวขึ้นมาในใจให้เห็นแต่สีเขียวในใจ ใ, ใจก็จะสงบได้คำถามต่อไปจะคุณกัลลภัทรครับ ตัวเราเองอยากไปปฏิบัติตลอดชีวิตแต่ห่วงลูกมากอยากทําอย่างไรดีคะก็อย่าไปเลยถ้าห่วงลูกไปทําไมจะเอาทั้งสองอย่างได้ไงจะเอาทั้งน้ําร้อนอย่ทั้งน้ําเย็นมันเอาไปเอามารวมกันมันก็ร้อนก็ไม่ร้อ น, อนเย็นก็ไม่เย็นคําถามต่อไปจากคุณมาลัยรักหลวงพ่อเจ้าคะ่ะพ่อแม่เป็นผู้กระทํากรรม แต่เราเป็นลูกสามารถทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรพ่อแม่ได้ไหมคะไม่ได้หรอกกรรมใครกรรมมันแล้วอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรก็เจ้ากรรมนายเวรเ้าก็อาจจะไม่รับก็ได้เขาก็อยากจะจองเวรมากกว่าือรับบุญที่เราอุทิศให้เขา ยังวิธีดีๆสุดก็อย่าไปทําเวรทํากรรมอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการจองเวรจองกรรมจะได้มีเป็นไม่มีปัญหากับเรื่องเจ้ากรรมในเวรถ้าตามได้ยังมีการจองเวรทําเวรทํากรรมกันอยู่มันก็จะต้องมีเจ้ากรรมในเวรมารังควานเราอยู่เรื่อยๆคําถามต่อไปจากคุณมาดามศูนย์ศูนเจ็ดครับถามพระอาจารย์ขยายความ แม้ความคิดก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแปลว่าคิดชั่วก็ไม่ชั่วคิดดีก็ไม่ดีแบบนั้นหรือเปล่าคะไม่ใช่คิดชั่วก็ชั่วคิดดีก็ดีแต่ความคิดมันไม่ใช่ไม่ไม่มีตัวเราไม่มีตัวมันเป็นเพียงความคิดมันเป็นเหมือนกับเสียงเสียงฟ้าร้องมันไม่มีตัวร้องมันเป็นเรื่องของเสียงที่มันเกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยความคิด ก, ก็มันก็เกิดจากตัว คิดปุงแต่งคือสังขารตัวสังขานี้ไม่ได้เป็นตัวตนมันตัวคิดเท่านั้นเองเพียงแต่มันไปคิดว่าเป็นตัวตนขึ้นมามันก็เลยเป็นหลงตามความคิดนั้นว่าเป็นตัวตนกลายเป็นผู้คิดกลายเป็นตัวตนขึ้นมาความจริงผู้คิดก็คือสังขารเหมือนกับฟ้าร้องนี่มันก็ไม่มีใครร้องฟ้ามันร้องเราก็ไปเรียกว่าผู้ร้องคือตัวตนเรียกว่าฟ้าเป็นตัวตนมันไม่เป็นตัวตนฟ้ามันก็เป็นฟ้าะ สังขารก็เป็นสังขารเป็นตัวคิดคำถามต่อไปจากคุณสมเกียรติครับพระที่นอนบนฟูกที่มีที่นอนหนาจะผิดพระวินัยไหมครับและจะประราชิกไหมครับอไม่หรอกเป็นผิดพระวินยัยคือถ้านอนบนฟูกหนะแต่ถ้าไม่ผิดแต่ไม่ถึงขั้นประราชิกก็เป็นเป็นอาบัตย่อยคำถามจากคุณการพัฒครับ เราเป็นมะเลงคูณไปปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตที่เหลือหรือไม่คะก็ตามใจเลยแล้วแต่คุณชีวิตของคุณเนีตอนนี้คําถามหมดครับจะออให้เราตอบอนี่ได้งไงเดี๋ยวก็มาโทษเราเองแล้ว<ไ>พอให้ไปทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็มาโทษหลวงพ่อหวห้ทํายทอย่างงี้นัเรื่องของการกระทํานี้คุณต้องเป็นคนตัดสินใจเอาเอง เ, ออเราก็เพียงแต่บอกวิธีเ้านเอน วิธีก็คือรักษาใจให้สงบแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะไม่เป็นปัญหาถ้าใจไม่สงบนี่มีชีวิตอยู่ก็ทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์จะตายก็ทุกข์มันทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะไม่รู้จักวิธีทําใจให้สงบปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งไปตามความอยากมันก็ต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาเสมอถ้าเราครวบคุมใจไม่ให้คิดไปใ น, น ในตามความอยากต่างๆได้ใจเราจะไม่มีวันทุกเนี่ยใจเราจะสงบจะเย็นจะสบายเนี่ยฉะั้นต้องทถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องควบคุมใจต้องสอนใจให้ละความอยากต่างๆสร้างสติสร้างสมาธิให้มีกำลังหยุดความอยากต้องมีทั้งสองอย่างต้องรู้ว่าเราต้องทำลายความอยาก ด้วยปัญญาปัญญาจะเป็นผู้บอกว่าความอยากไม่ดีความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ส่วนผู้ที่จะหยุดความอยากไม่ใช่ปัญญาผู้ที่จะหยุดความอยากก็คือสติสมาธิอุเบกขาเพราะว่าพวกเราตอนนี้มีปัญญากันทุกคนรู้ว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์แต่เราหยุดไม่ได้ยังหยุดความอยากไม่ได้ ยังอยากดูอยากฟังอยากทำอะไรต่างๆยังอยากได้นู่นอยากได้นี่อยู่ยังอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู่เราก็ยังทุกข์อยู่เพราะสิ่งที่เราขายไม่ใช่ปัญญาสิ่งที่เราขายก็คือสติที่จะมาหยุดความคิดหยุดความอยากแต่แเราต้องมีทั้งสองอย่างถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะไม่รู้ว่าความอยากนี่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ เวลาเราออกจากสมาธิมาพอมันอยากเราก็ไปทำตามความอยากพออยากจะดื่มกาแฟเราก็ดื่มอยากจะดูอะไรเราก็ดูแล้วต่อไปเวลากาแฟหมดเราก็จะทุกเวลาอยากดื่มแล้วไม่มีกาแฟดื่มก็จะทุกนี่ยอันนี้เราจะไม่รู้ว่ามันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ถ้าไม่มีปัญญาสอนปัญญานี้มาจากพระพุทธเจ้าไม่มีใครรู้ความจริงอันนี้มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว ถ้าเราไม่มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เราจะไม่รู้เลยว่าความอยากนี้แหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์ของเรามีเข้ามาอีกไหมยังครับยังมีมาสุการณ์ครับพ่อแม่ที่สร้างฐานะจากการอาชีพที่ผิดศีลอย่างเช่นทำนติบาตเลี้ยงสัตว์อย่างนี้หลวงพ่ อ, อ, อจนมีฐานะ แล้วลูกมารับทรัพย์สมบัติมรดกนี้แต่ไม่ได้มีส่วนในการประกอบอาชีพไม่บาปแล้วลูกไม่บาปแล้วเหมือนยอมยมทําอาชีพค้าสัตว์แล้วก็เอาเงินมาทําบุญนี้พระไม่บาปด้วยบุญที่เงินที่เอามาทําก็เป็นบุญคนที่ค้าสัตว์คนที่ค้าสัตว์ตัดชีวิตแล้วเงินที่ค้าสัตว์ตัดชีวิตมาทําบุญก็ได้บุญแต่เพียงแต่ว่าบุญนี้เอาไปนั้งบาปไม่ได้ บ, บุญก็เป็นส่วนบุญบาปก็เป็นส่วนบาป บุญก็เป็นเหมือนเงินฝากในธนาคารบาปก็เป็นเหมือนเงินกู้ก็ต้องไปเงินกู้ก็ต้องไปใช้เขากู้เข้ามาก็ต้องไปใช้เขาส่วนเงินที่เราฝากไว้ธนาคารก็เป็นเงินที่เราเอาไปเบิกใช้ได้แต่บาปกับบุญมันไม่มาลบล้างกันก็คือบาปเกิดในตัวผู้สร้างอผู้กระทาผู้คิดผู้กระทาผู้ที่รับประโยชน์ไม่บาปงั้นญาติโยไมไปทาบาปมาแล้วใส่บาปพระก็บาปตามไปด้วยเนย ใช่ไหมไม่บาปแต่ถ้าลูกไปร่วมทำด้วยทำงานด้วยทำกิจกรรมร่วมกันนี้ช่วยพ่อช่วยแม่ค่าสัตว์ด้วยลูกก็บาปด้วยหมดหรือยังยังไม่มาญญญญครับคำถามต่อไปจะคุณใหม่ครับสินข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอย่างเช่นมดบางทีเหยียบโดยไม่ได้ตั้งใจทำ อย่างไรจะโดยไม่ได้โดยไม่ได้ตั้งใจทําอย่างไรจะไม่ผิดศีลข้อนหนึ่งครับ อ, อถ้าไม่ตั้งใจไม่บาปขับรถไปมแมลงมันวิ่งใส่รถเราเห็นไม้มตายกันเยอะแยะเลยเปิดไฟมแมลงเม่ามันเห็นแสงไฟมันก็วิ่งเข้าหาแสงไฟมันก็ตายกันอย่างนี้เราไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่ า, มาแมลงอะแมลงมันเข้ามาหาไฟเองถ้าไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจไม่บาป คำถามต่อไปจากคุณสุภเลิศครับชีวิตเคยอยู่อย่างสงบมาตลอดแต่ช่วงสองปีมานี้วิกฤตมาตลอดทุกใจมากไม่แน่ใจว่าจะเกิดจากอะไรสายเลือดเดียวกันจะตัดกันขาดหรือเปล่าครับถ้ามีปัญญามันตัดได้หมดนะเพราะมันจะรู้ว่ามันไม่มันสายเลือดมันก็เป็นแค่สายเลือดมันไม่เกี่ยวกันนะ เพรไงก็ต้องขาดกันอยู่แล้วสักวันนึงเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันอยู่ดีถ้าอยู่ด้วยกันแล้วทุกข์สู้แยกกันอยู่ไม่ดีกว่าเลยแยกกันอยู่แล้วโศกก็ก็แยกกันอยู่ดีกว่าทําไมจะตัดไม่ได้ถ้ามีปัญญามันเห็นอะไรเป็นทุกข์มันตัดหมดนะเรื่องอะไรไปอยู่กับทุกข์ทําไมเราอยากจะอยู่ในกองไฟแล้วอยากจะอยู่นอกกองไฟถ้าอยู่ในกองไฟนี้ถ้าเราออกจากกองไฟได้เราไม่ออกนะเราก็ต้องออกใช่ไหม ถึงแม้กองไฟนี้มันจะเป็นของเราหรือเป็นของใครก็ตามเราก็ไม่เอาด้วยแล้วแหละถ้ามันเป็นทุกข์เราไม่เอาเพียงแต่เราไม่เห็นว่าเราทุกข์กัสิเราก็ยังตัดไม่ขาดถ้าเห็นว่าไอ้สิ่งนี้มันทำให้เราทุกข์เราก็ไม่เอาแล้วก็ เ, เห็นว่าสิ่งนี้ยังไงไม่ช้าก็เลยมันก็ต้องจากกันอยู่ดีแล้วไปอยู่กับมันทำไมก็จากกันดีกว่าจะได้ไม่ทุกข์ แล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันอยู่ดีคำ ถ, ถามต่อไปจะคุณพลอยไพลินครับ mm hmm. การปฏิบัติธรรมให้เป็นธรรมชาติมีความหมายว่าอย่างไรเจ้าคะก็ให้ปล่อยวางเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าเขาปล่อยวางเขาไม่เดือดร้อนผลจะตกหรือไม่ตกเขาก็อยู่ไปตามธรรมชาติของเขาเราก็ต้องปล่อยวางเงินจะมาหรือเงินไม่มาก็ก็อยู่กับมันไปมาก็มาไม่มาก็ไม่มา คือไม่ไปเดือดร้อนไม่ไปทุกข์ไม่ไปวุ่นวายกับสิ่งต่างๆที่เกิดแล้วดับที่ขึ้นแล้วลงทำได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็ต้องก็ต้องอยู่แบบธรรมชาติไปคือเรามีทางเลือกสองทางถ้าเรายังเลือกทีอยู่แบบไม่ธรรมชาติได้เราก็อยู่ไปถ้าเรายังทำอะไรได้ยังจัดการอะไ ร, ะ ไ, รได้อยู่ก็จัดการไปแต่พอเราไปถึงจุดที่จะจัดการไม่ได้เราก็ต้องอยู่แบบธรรมชาติไป คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณแนนครับถ้าเราสมาทานศีลแปดอยู่ที่บ้านต้องปฏิบัติเหมือนอยู่ที่วัดหรือเปล่าคะอศีลแปดมันเหมือนกันทั้งนั้นนะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนข้อห้ามเหมือนกันห้ามกินข้าวเย็นไม่ว่าจะอยู่วัดแล้วอยู่บ้านมันก็ไม่ให้กินข้าวเย็นเหมือนกันค่ะคำถามต่อไปจากคุณฐานพิสิทธ์ครับถ้าภาวนาแต่จิตใจยังไม่สงบจิตรวมลง จะมีโอกาสที่จิตใจมันจะยอมรับว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนใหม่ครับก็ลองพิสูจน์ดูสิคำถามต่อไปจะคุณจะผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับเรียกบริษัทมาดูปลวกแต่เขามาวางเหยื่อเพื่อกำจัดเราไม่ได้ห้ามเขาเราจะบาปไหมคะถ้าเราไม่ได้สั่งเขาโดยตรงบอกเขาว่าช่วยกำจัดให้หน่อยเขาอาสามากำจัดนี้ก็ไม่บาปสั่งเองทาเองบาป แต่ถ้าเขามาโดยเขามาโดยที่เราไม่ได้สั่งอันนี้ก็อาจจะพูดว่ามันเป็นเหมือนสีถนนชัยก็ไม่รู้นะแต่มันก็เป็นอย่างนั้นเพียงแต่เช่นเรารู้ว่าบาริษัทนี้เขาโฆษณาในหนังสือพิมพ์ว่าเขารับการจัดปลวกเนี่ยเราก็โทรไปถามเขาว่าคุณบริษัทคุณกำจัดปลวกหรอือที่บ้านมีปลวกไม่รู้จะทำยังไงดีถ้าเขาอาสามาว่าผมจะกาจัดให้ แต่ต้องจ่ายเงินให้ผมนะอ่ะจ่ายก็จ่ายอันนี้แต่เราไม่ได้สั่งเขาใช่ไหมเขาอาสาสมัครมาเองะถ้าอย่างนี้ก็ไม่บาปเพราะนี่เขาอยากจะทําอยู่แล้วเขามีเจตนาต้องการจะทําเขาไม่กลัวบาปเขาไม่คิดว่าเป็นบาปอันนี้ก็เราก็อาศัยคนที่งอเนี่ยมาทําบาปแทนเราคําถามต่อไปจากคุณวิจัยครับ พระที่ไม่เคยบินธบาตแต่ให้แม่ชีทำอาหารถวายที่วัดทุกวันปฏิบัติถูกต้องตามพระวินัยไหมครับก็ไม่เป็นพระวินยัยคือไม่ได้เป็นข้อห้ามไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่เป็นข้อที่แนะนำพระพุทธเจ้าแนะนำและสอนและทำด้วยตนเองพระพุทธเจ้าสั่งให้พระที่บวชใหม่ทุกรูปเนี่ยพระอุปชาที่เป็นผู้บวชให้นี้ต้องสอนกิจเรื่องบินบาติ แล้วตัวพระพุทธเจ้าเองก็บินนบ่า ท, ทุกวันแล้วท่านก็สอนในทุตองขวัตอีกอย่งนั้นท่านถือว่ากิจของบิณนาบ่านี้เป็นภารกิจที่สําคัญที่จะช่วยพัฒนาจิตใจของพระที่มาบวชแต่ถ้าของพระก็ไม่อยากจะบินนบายก็ไม่ผิดไ ม, ไม่ผิดก็ยังเป็นพระอยู่เดียงแต่ว่าจะเป็นพระพุทุชนหรือเป็นพระอริยะเท่านั้นเองต่างกันตรงนั้น